สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในวันนี้เป็นตอนที่สิบนะครับของชีวิตพระเยซูพี่น้องครับผมจะพูดถึงเรื่องของระบบพักการเมืองนะครับหรือพักทางการศาสนาก่อนที่จะพูดถึงตรงนั้นนะครับเราต้องเข้าใจว่าคนยิวนั้นไม่ได้แยกระบบรัฐศาสตร์หรือการเมืองการปกครองออกจากศาสนาครับเพราะเนื่องจากว่าบทปัญญาของโมเสสนั้น ได้รวมเอาระบบศาสนากับระบบการเมืองเข้าด้วยกันนะครับผมขออนุ ญ, ญาตกลับมาพูดถึงเฮโรดครับเฮโรสนั้นเป็นผู้ที่โรมหรือซีซ่า้นั้นแต่งตั้งมาเพื่อให้เป็นโลเคอลอมันกอร์เนอร์นะครับก็คือเขาส่งคนมาจากส่วนกลางครับเฮโรสจะต้องนั่งนั่งเรือนะครับขึ้นเรือไปร่วม ไปที่โรมเพื่อที่จะร่วมพิ ธ, ธีการแต่งตั้งพิธีนี้เป็นพิธีรับการแต่งตั้งจากาจากักรพรรดิซีซ่านะครับโรมนั้นพยายามเอาใจอยู่ครับหลายหลายครั้งทีเดียวโรมนั้นนำความเจริญรุ่งเรืองในการก่อสร้างนะครับยกตัวอย่างเช่นในสมัยของเฮโรสมหาราชเนี่ยนะครับเฮโรสมหาราชก็พยายามนะครับให้โรมเอาใจอยู่โดยการที่ว่า ท่านเองนั้นก็สร้างนะครับพระวิหารก็คือบุรณะพระวิหารนะครับจากหลังเดิมนะครับที่ผุพังเก่าแก่มากเลยเพราะว่าใช้มาเป็นเวลาเกือบสี่ห้าร้อยปีเฮโรดมหาราชนั้นก็บุรณะสวยงามครับขยายนะครับขยายปีกพวิหารออกไปอีกขยายสถานที่ที่เป็นสถานที่ของคนต่างชาติของผู้หญิงนะครับ ขยายออกไปกว้างขวางโออาร์ o R, ตาการตามากเลยถือว่าพระวิหารของเฮโรสมาหานั้นเป็นวิหารที่สวยงามที่สุดนะครับเท่าที่มีพระวิหารมาหลายหลายคนบอกว่าเป็นวิหารหลังที่สามนะครับแต่แท้จริงแล้วไม่ได้สร้างใหม่ครับเป็นการบูรณะขึ้นมาใหม่พี่น้องครับโรมเอาใจคนยิวถึงขนาดนี้นะครับแต่ไม่ได้ใจคนยิ ว, วครับเฮโรดก็เอาใจคนยิวมากมายนะครับ ก็ไม่ได้ใจคนยิวเหมือนกันผมบอกนะครับว่าโรมนั้นได้นําความเจริญก้าวหน้าเนี่ยเข้ามาในปาเลสไตน์ค่อนข้างเยอะครับนะครับให้กับคนยิวค่อนข้างเยอะโรมนั้นได้สร้างเมืองเมืองหนึ่งครับซีซาริยาฟิลิปีครับถ้าพี่น้องได้มีโอกาสไปเที่ยวอิสราเอลนะครับพี่น้องจะเห็นนะครับว่าซีซาฟิลิปีเนี่ยเป็นเมืองที่โออ่าจากการตา ม, มากสามารถที่จะเอาก้อนหินใหญ่ๆนะครับสร้างลงไปในทะเลครับ นะครับแล้วก็ท่อส่งน้ําของโรมนะครับเป็นท่อส่งน้ําที่ได้ว่าไฮเทคมากเลยนะครับมีนวัตกรรมสูงสามารถส่งน้ําจากภูเขาสูงสูงครับเป็นน้ําจืดบริสุทธิ์เนี่ยนะครับมาเลี้ยงทั้งเมืองได้และก็ยังมีบ่อเก็บน้ํานะครับหรืออ่างเก็บน้ําในสมัยโรมนะครับยังอยู่ณทุกวันนี้พี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าความเจริญรุ่งเรืองนั้นโรมเขาปกครองนะครับแต่เขาไม่ได้ปกครองแบบเฉลยนะครับ แต่ปกครองแบบประเทศราชปกครองหนึ่งประเทศสองระบบเหมือนกับที่ผมพูดได้ไว้ในเมื่อวานนี้นะครับเขาพยายามปรับกลืนวัฒนธรรมนะครับปรับกลืนเขาวัฒนธรรมให้ได้แต่ไม่มีทางครับเพราะอะไรครับเพราะคนยิวนั้นมีมีความเข้มแข็งทางด้านศาสนาวัฒนธรรมและการปกครองสูงมากพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าเมื่อเขาไม่ยอมแยก การปกครองรัทรศาสตร์ออกจากศาสนานะครับมันกลายเป็นวิถีชีวิตครับเพราะฉะนั้นคนยิวจึงไม่สามารถทิ้งวิถีชีวิตหรือสลับวิถีชีวิตออกจากศาสนาได้ถ้าคุณจะเป็นคนยิวคุณต้องรับศาสนายิวถ้าคุณจะรับศาสนายิวคุณต้องเป็นคนยิวนี่คือสิ่งที่คนยิวนั้นมองคนต่างชาติว่าพวกเขานั้นไม่ได้รับความรอดไม่ได้รับอยู่นอกพระกรุณาของพระเจ้านะครับ คนยิวมองคนต่างชาตินั้นเรียกคนต่างชาติว่าพวกนอกกรีฑหรือหมาครับนะครับสุนัขครับพี่น้องครับจะเห็นว่าวิธีการมองแบบนี้ทําให้คนยิวนั้นแปลแยกตัวเองออกมาทําให้คนยิวนั้นเขาจะต้องไปที่ไหนจะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นกล้อนนะครับเขาจะนองรักษาธรรมบัญญัติเขาจะต้องถ่ายทอดธรรมบัญญัติหรือหลักข้อเชื่อต่างๆวิถีปฏิบัติกดรมเนียมกฎเกณฑ์ธรรมเนียม นะครับปฏิบัติของคนยิวให้กับลูกหลานเขาอยู่เสมอพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าวิถีชีวิตแบบนี้เป็นวิถีชีวิตที่คริสเตียนเราจะต้องเรียนแบบอยู่เหมือนกันถามว่าทําไมต้องเรียนแบบครับเพราะว่าเราไม่สามารถแยกชีวิตประจําวันจากความเชื่อของเราได้เราเป็นคริสเตียนทั้งเจ็ดวันนะครับไม่ใช่แค่วันเดียวคือวันอาทิตย์แต่ความเป็นคริสเตียนนั้น 6วันที่เหลืออยู่จะต้องเป็นคริสเตียนแบบเป็นคริสเตียนที่ใจและเป็นคริสเตียนที่เชื่อฟังกฎเกณฑ์บทบัญญัติของพระเจ้าเป็นคริสเตียนที่รักษาพระชนะของพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามไม่ว่าเราจะอยู่วันไหนก็ตามครับความเป็นคริสเตียนของเราก็มีมาตรฐานเดียวครับมีสแตนดาร์ดเดียวคือเป็นคริสเตียนแบบเป็นคริสเตียนซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเป็นคริสเตียนนะครับมาตรฐานเดียวไม่ใช่สองมาตรฐาน พี่นครับในวันนี้ผมจะเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับระบบพรรคการเมืองเราจะเห็นว่าครับโรมนั้นไม่เพียงแต่นําความเจริญเข้ามานะครับและโรมนั้นก็ยังอนุญาตให้คนยิวนะครับไม่ต้องไหว้ลูกเคารพของซีซ่าไม่ต้องถวายบังคมรูปเคารพซีซ่าครับเพราะอะไรครับผมพูดไปแล้วนะครับว่าซีซ่านั้นถูกยกขึ้นมาให้เป็น sun of god นะครับแต่ก o d ตัวนี้เป็น g ตัวเล็กนะครับ ไม่ใช่เป็นก็อดของคนยิวครับเป็นก็อดของเทพเจ้ากรีกหรือเทพเจ้าแห่งโรมนั่นเองพี่น้องครับจากตรงนี้เองครับทําให้ในคอสอที่70ครับหลังจากที่โรมนั้นได้ทําลายอิสราเอลทําลายคนยิวลงอย่างราบคราบและพระวิหารก็ถูกทําลายไปด้วยเพราะเหตุที่ว่าคนยิวนั้นเลี้ยงไงก็เลี้ยงไม่เชื่องครับปกครองแบบ กลืนวัฒนธรรมก็ยังกลืนไม่ได้ก็ยังมีกระโดมีความมีปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายครับในที่สุดโรมตัดสินใจที่จะถลม่มถล่มเยรูซีลมและพวิหารจนจนราบคาบครับและชีซาเองนั้นต้องการลบชื่อยูเดียออกจากแผนที่โลกลบชื่อยูเดียออกจากความชงจําของคนทั้งโลกยูดาชีซาก็เลยไม่ใช้คําว่ายูดาหรือคนยิวนะครับ เขาเลยใช้ชื่อแผ่นดินว่าปาเลสไตน์ครับซึ่งมาจากคำว่าเฟริสเตียซึ่งสมัยก่อนนะครับเป็นศัตรูกับพวกยิวน hmm, ั mm ่นเองพี่น้องครับนี่คือการทำลายยิวอย่างราบคาบแต่เขาไม่สามารถทำลายได้เพราะคนยิวนั้นมีวิถีชีวิตที่รักษากฎเกณฑ์บทบัญญัติของพระเจ้า อีกพันเก้าร้อยกว่าปีนะครับคนยิวสามารถกลับยืนขึ้นมาพังอาดในเวทีโลกได้อีกครั้งหนึ่งนี่เป็นการทรงนำของพระเจ้าและเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่สุดครับที่พูดถึงและพยากรณ์ถึงการกลับมาของคนยิวอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะ อยู่ในทางของพระเจ้าระบบพรรคการเมืองของยิวนั้นมีสองพรรคการเมืองครับก็คือฟาริสีและพวกชาดูสีพี่น้องครับฟาริสีนั้นเป็นกลุ่มเขาเรียกว่า people sparty ก็คือเป็นพรรคการเมืองของคนส่วนใหญ่ในขณะที่ชาดูสีนั้นเป็นพรรคการเมืองหรือเป็นพรรคที่เป็นชนชั้นปกครองเยอะๆนะครับและเป็นชนชั้นที่ร่ารวยเป็นผู้ที่คุมเศรษฐกิจ ของแผ่นดินยูดาห์หรือยูเดียนั่นเองเป็นะครับสองพรรคเนี้นะครับเขาก็จริงๆก็เป็นพรรคที่เป็นพรรคหนึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านนะครับคือไม่ค่อยเห็นด้วยกันแต่ว่าสองพรรคนี้มีจุดร่วมอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือเขาต่อต้านโรมนะครับเมื่อเขาต่อต้านโรมนั้นเขามีเขาก็มีการสงวนนะครับจุดต่างสแสวงหาจุดร่วมจากตรงนี้เองครับเราจะเห็น ว่าคำสอนของฟาริสีและพวกเซดรูสีนั้นก็มาจับผิดพระเยซูเพราะว่าเขาสงสัยครับว่าพระเยซูนั้นเป็นใครกันแน่เนี่ยครับคือสิ่งที่พระเยซูสอนพระเยซูทำและปรากฏอยู่กับคนในสมัยนั้นในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าวพอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านขอให้ชีวิตพระเยซูนั้นจะเป็นประโยชน์และการที่เรารู้บริบทของโรมนะครับของปาเลสไตน์ในสมัยนั้น เราจะทำให้เราทราบซึ้งในพระชนะของพระเจ้ามากขึ้นอเมน